ทนี้ในอันดับต่อไปเมื่อจิตเราสงบกล้ลงไปนิ่งสว่างขึ้นมาแล้วในตอนนี้ถ้าอาว่าจิตต้องเราไปนิ่งสว่างอยู่เฉยเราจะทําอย่างไรท่านอาจารย์เต๋าท่านสอนให้กําหนดรู้อยู่ตรงที่จิตสว่างกําหนดรู้เฉยอยู่จนกว่าจิตจะสงบละเอียดลงไป <c oughs> เป็นลําดับลาดับลงไป ถ้าหากว่าในตอนนี้เหตุของเราเกิดมาลู้ลมหายใจขึ้นมาภายในท่านอาจารย์เสาสอนให้กำหนดลู้ลมหายใจเราจะดูลมหายใจออกเข้าออกเข้ า, อ อ, ขาออกเข้าอยู่อย่างนั้นเพียงแต่ดูอยู่เฉยๆอย่าไปทับไปท้วงหรือไปเอะใจใดๆทางนั้นแล้วก็ไม่ไปนึกว่าลมหายใจละเอียดลมหายใจหยาบเพียงแต่กำหนดลู้ที่ลมหายใจเท่านั้น ถ้าหากเราไปกําหนดหมายว่าลมหายใจละเอียดลมหายใจหยาบให้เกิดความรู้สึกขึ้นในขณะนั้นจิตของเราจะเปลี่ยนสภาพสมาธิจะถอน <c oughs> ดังนั้นจึงให้กําหนดดูลมหายใจอยู่เฉยๆในตอนนี้ถ้าหากว่าจิตของเราสงบสว่างลงไปแล้วจิตดวงใดวิ่งเข้ามาดูลมหายใจก็จะรู้อยู่ที่ลมหายใจเท่านั้น เมื่อจิตรู้อยู่ที่ลมหายใจออกเข้าออกเข้าออกเข้าอยู่อย่างนั้นเราก็ดูอยู่อย่างนั้นแหละเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเอาลมหายใจเป็นเครื่องละลึกของสติแล้วในที่สุดจิตของเราจะสงบละเอียดยิ่งลงไปเมื่อจิตสงบละเอียดยิ่งลงไปลมหายใจที่มองเห็นอยู่ก็ละเอียดยิ่งลงไปเป็นลําดับลําดับ จนกระทั่งลมหายใจก็หายขาดไปแล้วความรู้สึกว่ามีกายก็หายไปในตอนนี้จิตจะไปสงบนิ่งสว่างอยู่เฉยๆเพียงแต่สงบนิ่งสว่างอยู่เท่านั้นในตอนนี้จิตจะไม่มีความรู้ความคิดอะไรเกิดขึ้นความรู้ว่ามีกายก็ไม่มี ตามรู้ว่ามีลมหายใจก็ไม่มีในตอนนี้จิตมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆนิ่งสงบสว่างอยู่เท่านั้นอันนี้จิตสงบละเอียดลงไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิแต่อัปปนาสมาธิในตอนนี้ยังใช้การอะไรไม่ได้แต่เราจําเป็นที่จะต้องทําให้มันถึงอัปปนาสมาธิขั้นนี้ ทำบ่อยๆจิตสงบไป ถ, ถึงขั้นนี้บ่อยๆเข้าจะเป็นเหตุให้เรารู้สภาพความเป็นจริงของจิตตั้งเดิมของเราว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อก่อนนี้เราเห็นแต่จิตของเราว่าวุ่นดูกับอารมณ์ต่างๆเมื่อบริกรรมภาวนาทาจิตให้สงบนิ่งลงเป็นอัปปนาสมาธิจิตปราศจากอารมณ์ไม่มีความรู้สึกหึกคิดใดๆทางนั้น มีแต่ความสงบนิ่งสว่างอยู่เราก็รู้สภาพความจริงของจิตตั้งเดิมมันเป็นอย่างนี้ในจุดนี้ท่านเรียกว่าประพัฒสารมิ ท, งทังพิกเวจิตตังเดิมจิตของเราเป็นธรรมชาติประพัฒสอนเป็นจิตที่สงบสว่างสะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์เตียงกอ เพราเสื้อกิเลสมันหดเข้าไปอยู่ในเบ้าของจิตอยู่ในส่วนลึกของจิตมันยังไม่แสดงออกมาจิตในตอนนี้สติสัมปชัญญะยังไม่สมบูรณ์เพียงแต่พอสงบแล้วก็ทรงตัวอยู่ในความสงบทั่วขณะหนึ่งเท่านั้นท่านเรียกจิตตอนนี้ว่าปฐมมจิตปฐมสัมมาปฏิปฐมบิณ ญ, ญาณมาโนธาตุ มีลักษณะเหมือนลูกไก่ที่อยู่ในฟองไข่เดีย ว, ว่าอยู่เฉยๆนิ่งๆอยู่เฉยๆทำอะไรยังไม่ได้ในตอนนี้แต่ก็เป็นเหตุให้เรารู้สภาพความเป็นจริงของจิตตั้งเดิมของเราอันนี้คือผลซึ่งเกิดขึ้นจากการบริกรรมภาวนาในขั้นต้น <c oughs> ทนี้เมื่อเราทําจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันก็ทําให้เรามีความทำนิํานานในตอนตอน้นจิตของเราบริกรรมภาวนาแล้วมันอาจจะสงบวูบลงไปถึงจุดนิ่งเรากําหนดรู้แต่เบื้องตน้นแต่ในถ้ำกลางเราไม่รู้แล้วก็ไปรู้เอาเบื้องปลายคือจุดที่จิตสงบนิ่งสว่างเท่านั้นอันนี้เป็นสมาธิใล้ๆกับว่าทําไปแล้วมันฟลุ๊ก มันยังไม่ประอกอบด้วยองค์แต่อาศัยการกระทำอย่างนี้บ่อยๆเข่าเมื่อเรามีความชำนิชำนาญเราจะสามารถเท่าสมาธิกําหนดรู้ตามระยะขององค์ฐานคือเริ่มต้นแต่วิตกไปถึงการนึกถึงอารมณ์เป็นผู้ของใจวิจาร์จตกับอารมณ์เข้าลึงเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเกิดสงบสว่างขึ้น ในอันดับต่อไปก็เกิดมีปีติมีความสุขเมื่อจิตมีปีติมีความสุขจิตก็มีความสงบในเมื่อสงบลงไปก็นิ่งเป็นเอกขะตาอันนี้เป็นลักษณะของจิตเดินอยู่ในระดับฌานขั้นที่หนึ่งซึ่งเรียกว่าปฐมฌานสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ฌานจึงจะเป็นสมาธิที่ใช้การได้ในการปฏิบัติ วิปัสนากรรมฐานเป็นจิตที่ควรน้อมไปสู่อารมณ์เพื่อพิจารณาพัะใจรับได้ <c oughs> เราต้องพยายามเปิดขาดจิตของเราให้เป็นอย่างนี้โดยความเยือกเย็นหรืดยความเย็นใจทําใจเย็นๆอย่าไปทําอย่าไปทําใจร้อนการปฏิบัติธรรมนี่ต้องใจเย็นๆถ้าไปทําใจร้อนแล้วมันจะไม่ประสบผล เป็นอีกอย่างหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาเนี่ยอันนี้ตามที่ว่ามานี้เป็นจิตที่เดินเข้าไปสู่สมาธิโดยทางที่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเมื่อเราบริกรรมภาวนาทาจิตให้สงบนิ่งลงไปเกิดความสว่างขึ้นมาแล้วในตอนนี้เมื่อจิตตรงกระแสออกไปข้างนอกจะเกิดภาพนิมิตต่างๆขึ้นมา ถ้าภาพในมิตนั้นเกิดขึ้นมาผู้ภาวนาเกิดเอะใจขึ้นมาหรือเกิดตกใจขึ้นมาถ้าเกิดความแปลกใจแรงขึ้นมาสมาธิจะถอนภาพในมิตนั้นจะหายไปแต่ถ้าหากว่าภาพในมิตเกิดขึ้นในขณะนั้นถ้าอยากจะดูในมิตอยู่นานๆให้กำหนดรู้ลงที่จิตรู้อยู่ที่จิตเพื่อกันจิตเป็นจุดที่สงบเท่านั้น แล้วก็พยายามทำความรู้สึกว่านิมิธ ท, ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความที่จิตสงบเป็นสมาธิถ้าหากเราพระจากฐานที่ตั้งของจิตคือความสงบไปยิดอยู่กับนิมิธ ท, ที่เรามองเห็นนั้นมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสองอย่างหนึ่งเมื่อเห็นนิมิธเกิดเอใจสมาธิแต่ถอนสองเมื่อจิตเห็นนเมตแล้วไปติดในในิมต จตรงกระแสะออกไปข้างนอกไปติดนิมิตแล้วก็จะตามนิมิตนั้นไปถ้าเห็นนิมิตเป็นคนก็จะเดินตามคนไปเห็นนิมิตเป็นเทวดาก็จะตามเทวดาไปถ้าเลิกอยากจะดูนรกดูสวรรค์ก็ตามเทวดาหรือตามสัตว์นรกไปก็เห็นนรกเห็นสวรรค์อันนี้เป็นเรื่องของจิตที่ส่งกระแสะออกไปข้างนอกแล้วก็ไปรู้เรื่องของภายนอก การรู้เรื่องของภายนอกนี้ถ้าหากว่าผู้มีสติปัญญาบางพอสมควรก็กำหนดรู้พิจารณาสิ่งที่เห็นภายนอกนั้นเย็ดเอาเป็นอารมณ์กรรมาฐานเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติก็เป็นการใช้ได้เหมือนกันแต่ปัญหาสำคัญอยู่ตรงที่ว่าถ้าเห็นนเมตตภายนอกแล้วผู้ปฏิบัติมักจะเกิดความหลงขึ้นมาหลงว่านเมตตนั้นมันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมา เห็นคนก็บอกคนเดินมาจริงๆโดยเฉพาะอย่า ง, งยิง่งเห็นผู้ปีศาจเนี่ยเราจะเข้าใจว่าผู้ปีศาจเป็นวิญญาณชนิดหนึ่งมาขอส่วนบุญทีนี้เราก็จะหลงไปแผ่ส่วนบุญให้เขาอยู่อย่างนั้นเมือ่อได้แกแผ่ส่วนบุญกันมาเทไลสมาธิมันก็ถอนภาพในเมตต์ทั้งหลายก็หายไปในเรื่องของเรื่องมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ เพราะฉะนัน้นนักภาวนาทั้งหลายเพ่งสังวรระวังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการภาวนานี้ให้ดีเราจะสังวรระวังอย่างไรให้พยายามกำลดรู้ลงที่จิตในจุดที่ว่ามันเป็นสมาธิหรือความสงบเข้านั้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นอย่าไปสนใจสนใจประคองจิตเอาไว้ในลักษณะแห่งความสงบเป็นสมาธิ ในเมื่อเราสามารถประคองจิตให้สงบในลักษณะที่เป็นสมาธิอยู่ได้ตลอดการหากนิมิตต่างๆที่มองเห็นนั้นก็จะปรากฏให้เราได้ดูอยู่ดา น, นอนแล้วบางทีอาจจะเป็นอุบายให้เรารู้ทำเห็นทมขึ้นมาก็ได้อันนี้ขอเตือนบรรดาท่านท่านทั้งหลายพึงทำความเข้าใจเอาไว้ <c oughs> ทีอนี้สสำหรับการบริกรรมภาวนานั้น บางครั้งก็ได้เคยได้เคยกล่าวแล้วว่าบริกรรมภาวนาทุกอย่างที่เรานึกอยู่ในคำคําเดียวนั้นสามารถทําจิตให้สงบนิ่งลงไปเพียงแค่อุปจาระสมาธิจะขอยกอนุสติเสร็จขึ้นมากล่าวอนุสติเสร็ข้อตั้งแต่พุทธาลุสติจนไปถึงข้อที่แปดใครจะบริกรรมภาวนาอย่างไร จิตสงบลงไปได้เพียงแค่อุปจารสมาธิเท่านั้น <c oughs> ไม่ถึงอัปปนาสมาธิแต่อนุสติสองข้อข้างปลายคือข้อแปดกับข้อข้อเก้ากับข้อสิบกายะคตาสติกับอนาปานุสติอันนี้เป็นอุบายทำจิตให้สงบเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิหรือขั้นสมถะ เพราะฉะนั้นก็าอาศัยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้ท่านอาจารย์เสาท่านจึงกล่าววา่าเมื่อบริกรรมภาวนาทำจิตให้เป็นสมาธิได้ดีพอสมควรแล้วเพิ่งน้อมจิตไปพิจารณาอสาุภกรรมาฐานอันนี้ถึงอันดับที่สองซึ่งเป็นโอวาทของท่านอาจารย์เส า, า, า, า, าการพิจารณาอสุภกรรมาฐานนั้นพ็เย็ดเอากายกาตตาสติกรรมฐานนั่นแหละเป็นอารมณ์ โดยท่านให้เยดหลักการพิจารณากรรมฐานห้าเป็นเบื้องต้นเป็นอย่างพระสงฆ์ท่านพระเดนท่านบวชอุปชายะท่านจะสอนใหอสอนกรรมฐานห้าให้เรียกว่าตะจ่าปัญ จ, ะจะกะกรรมฐานท่านสอนให้ว่าเกษาโลมาณขาทันตาตาโจตะโจทันตาณขาโลมาเกษา แล้วท่านจะย้ำให้พิจรารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโกไม่สวยไม่งามเพราะเหตุว่าสิ่งเหล่านี้ผู้เป็นเจ้าของจะต้องคอยบริหารรักษาทำความสะอาดอยู่เส ม, มอถ้าปล่อยไว้ก็สกปรกโสเกเหม็นสาบเหม็นสงังไม่น่าดูอันนี้ท่านจะสอนอย่างนี้ <c oughs> ทีนี้ทำไมนักบวชท่านจึงมุ่งสอนให้พิจารณาผมขนเล็ฟันหนังให้เห็นเป็นของปฏิกูลหน้าเตี้ยโตกที่ท่านสอนให้พิจารณาอย่างนั้นก็เพื่อเป็นอุบายเปิดประตูใจให้รู้ความเป็นจริงของผมขนเล็ฟันหนังหรือความเป็นจริงของร่างกายมนุษย์ และที่ให้พิจารณาผมขน de, giving, เล็บก่อนอื่นก็เพราะเหตุว่าผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเป็นเครื่องหมายแห่งความสวยความงามและความไม่สวยไม่งามคนที่มีผมงามเขาก็เรียกว่าโกดามคนมีขนงามเขาเรียกว่าคนงามคนมีเล็บงามเขาเรียกว่าคนงามคนมีฟันงามเขาก็เรียกว่าคนงาม คนมีผิวหนังเปล่งเกลาสะอาดเขาก็เรียกว่าคนงามเพราะความงามอันนี้แหละมันเป็นเครื่องปิดหูปิดตาไม่ให้มองเห็นสภาพความเป็นจริงซึ่งซ่อนอยู่ภายในดังนั้นการจึงท่านเึงสอนให้พิจารณาสิ่งทั้งห้านี้ก่อนโดยพิจารณาน้อมไปในแง่ที่เป็นอสุภสัมปทานคือเป็ น, ปนของใร้งงามน่าเสียสโสภะ แม้ยังมีชีวิตยอยู่ก็ยังเป็นของปฏิกูลห้าเกลียดโสโครกถ้าเผื่อว่าร่างกายนี่มันแตกดับทําลายคือตายลงไปแล้วความเน่ามันก็จะเกิดขึ้นความปฏิปุณห้าเกลียวโสโครกมันก็ยิ่งจะปลากรดชัดท่านให้พิจรารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งจิตสงบลงไปเป็นสมาธิเกิดในเมตต์มองเห็นถึงทั้งห้านี้ว่าเป็นของปฏิกูลน่าเกลียวโสโครกจริงๆ เพื่อจะได้เป็นอบายถ่ายถอนราคะความกำหนัดจินตีไม่ให้เกิดเึ้นกลุ้มหลุมจิตใจผู้บวชในพระธรรมวินัยจะได้โอกาสกระเพิดปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงและจะได้อยู่เย็นเป็นสุขในพระธรรมวินัยสืบไปอันนี้เป็นอบายการพิจารณาตามแนวทางที่ท่านอาจารย์เสาได้แนะนำไว ทีนี้ในขั้นต่อไปถ้าหากกมบูว่าผู้ราวนาพิจารณาอสุภกรรมฐานให้รู้แจ้งเขียนจริงว่าผมผลเล็บเป็นต้นเป็นของปฏิกูลน่าเปรียดเน่าเปื่อยผุกพังได้อสุภกรรมฐานจำนิจํำนานแล้วในขั้นต่อไปเพื่อจะฝปิดจิตให้ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐานท่านจึงแนะนำให้พิจารณากายทั้งหมดนี้ แยกออกเป็นสี่ส่วนคือเป็นตัวบันดินน้ำลม<ง>ไฟผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นซึ่งมีลักษณะแท่นแหละแข็งเป็นธาตุดินทำไมผมจึงเป็นธาตุดินก็เพราะว่าเมื่อผมสลายตัวลงไปแล้วจะต้องกลายเป็นดินท่านให้พิจารณาให้มองเห็นว่า ผมฝนเล็บฟันหนังเป็นต้นเป็นดินจนกระทั่งปลากฏดเป็นนิมิตขึ้นมาในความรู้จริงๆในขั้นต่อไปก็พิจรารณาดูน้ำได้แก่ถาดน้ำเลือดหนองเหงือน้ำลายน้ำมูกน้ำมูดอะไรต่างๆซึ่งเป็นมีสิ่งที่มีลักษณะเหลวๆเติมชาบอยู่ภายในกายอันนี้ ท่านเรียกว่าธาตุตามก็พิจารณาให้มันเห็นว่าเป็นน้ำจริงๆความอบอุ่นหรือความร้อนที่มีอยู่ในกายนี้เป็นธาตุไฟทีเล็กลมธาตุลมคือลมเคลื่นอนพัดขึ้นเบื้องบนลมลงเบื้องล่างลมหายใจเข้าออกเป็นต้นเป็นธาตุลม ถ้าเรพิจารณาให้เห็นตึงลงไปว่าธาตุสี่นี้ร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไปรไปุมกันเข้าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่เพียงธาตุสี่ไปรวมกันอยู่แล้วมีปฏิสนธิวิญญาณเข้ามายึดครองโดยถือว่าเป็นตัวเป็นตนของตนอาศัยกิเลตตันหามานะทิฏฐิยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตน ในเมื่อได้พิจารณาว่าร่างกายนี้สัตว์แต่ว่าเป็นธาตุสี่ที่น้ำลมไปไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขามีแต่สิ่งที่ไม่มีตัวมีตนทั้งนั้นก็เป็นแต่เพียงธาตุสี่ผู้ภาวนาก็จะได้ความรู้ในแง่อนาตตสัญญาเคยเห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนาตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนในเมื่อพิจารณารู้ เรื่องของธาตุสี่โดยละเอียดดีแล้วจิตรู้ตึงลงไปจกนกระทั่งมองเห็นในเมิต์ว่าร่างกายทั้งหมดนี้เป็นแต่เพียงธาตุสี่ที่น้ําลงไปอย่างจริงจังซึ้งลงไปในจิตใจใ จ, ใจแล้วจิตมันจะรู้ขึ้นมาเองว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นแต่เพียงธาตุสี่เท่านั้นในเมื่อจิตมารู้อนัตตาคือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้ว ทำไมมันจะไม่ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาขอให้เราพิจารณาให้มันตึงลงไปเถอะว่าให้รู้ตึงลงไปว่าร่างกายทั้งหมดนี้เพียงแต่เป็นธาตุสี่ที่น้ำลมไปเท่านั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราก็จะสามารถรู้ว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตาเพิ่งไป ต, ตรงกับคำบาลีว่าสัเพธรรมาอนัตตา นี่แนวทางของท่านอาจารย์เต่าท่านสอนให้พิจารณาแหลอะอ่ให้พิจารณาอย่างนี้ <c oughs> ซึ่งอาตจจมาได้นํามาเล่าสู่บรรดาท่านทั้งหลายฟังและจะด้วยประการใดกด็ตามถ้าท่านะจะเป็นนักปฏิบัติธรรมกันจริงจังแล้วอย่าได้ไปสงสัยในวิธีการแห่งการปฏิบัตินั้นโครูบาอาจารย์องค์ใดสอนมาเป็นการถูกต้องทั้งหมด ขอว่าแต่ให้ท่านทำจริงเท่านั้น <c oughs> อาการก่าวธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติในทางด้านจิตใจก็เห็นว่าพอสมกวดแก่กาละเวลาในเมื่อฟังทำแล้วก็ลองนั่งสมาธิลองดูบ้างดีไหมดังนั้นขอเชิญท่านทั้งหลายจงเตรียมนั่งให้สบาย จะนั่งพับเทียบหรือจะนั่งขัดสมาธิก็ได้ขอให้ทุกท่านจงเตรียมนั่งสมาธิ โดยตั้งใจทำความรู้สึกภายในจิตของตัวเองว่าทันจะตั้งใจทำสมาธิให้ดวงจิตของฉ่านเป็นสมาธิสติผวังท่านจะเจ็ดเอาพุทธคุณบท ว, ว่าพุทโธพุทโธพุทโธ มาบริกรรมภาวนาเป็นคู่ของใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของปติแล้วคนได้กดรลอมลมเข้าโผล่ปลอมลมออกกำหนดจดจ้องรู้อยู่ที่ลมกับคำว่าพุทโธให้มีความสัมพันธ์กัน ใครจะตั้งจิตเอาไว้ที่ปลายจมูกหรือที่ไหนก็ได้แล้วแต่ถนัดแต่ปัญหาสำคัญให้จิตรู้อยู่ที่ลมหายใจกับคำว่าพุทธโธเข้าออกเข้าออกอยู่อย่างนั้นแต่หากว่าท่านบางท่านอาจจะบริกรรมภาวนาอย่างอื่นก็ให้ยึดหลักการบริกรรมของตนเองนั่นแหละเป็นหลัก อย่ามาเปลี่ยนตามคำพูดของผู้พูดเมื่อท่านบริกรรมภาวนาอยู่ก็ให้กําหนดรู้ลงที่จิตของตนเอาพุโทโธมาเป็นผู้ของใจเอาลมหายใจมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องละลึกของสติจดต้องอยู่อย่างนั้น ถ้าหากท่านที่บริกรรมภาวนามาจิตเป็นสมาธิทมนิชํำนานเพียงแต่น็กพุทธโธธรรมโมสังโโพอเป็นการไหว้ครูแล้วก็กําหนดรู้ลงที่จิตของตนไม่ต้องบริกรรมภาวนาพุทธโธต่อไปอีกเพราะเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตมีลักษณะสงบนิ่งรู้ตื่นเบิกบาน เป็นกิริยาอาการของพระพุทธเกิดเค้นภายในจิตของท่านเมื่อจิตของท่านมีพระพุทธเกิดเค้นภายในจิตเมื่อเห็นพระพุทธโลภพระพุทธแล้วก็ก ร, รู้เห็นพระธรรมเมื่อรล้เห็นพระพุทธธรรมแล้วก็รล้เห็นพระสงฆ์กิริยาของจิตที่สงบนิ่งตื่นรู้เบิกบานอยู่เป็นกิริยาของพระพุทธเจ้า เมื่อจิตสามารถทรงไว้ซึ่งความรู้ตื่นเบิกบานให้ทรงอยู่ได้เป็นเวลานานๆอันนี้เป็นการทรงไว้ซึ่งเป็นกิริยาของพระธรรมเมื่อจิตสงบลงไปแล้วมีสติสังวรระวังรักษาอยู่ที่จิตโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นกิริยาของพระสงค์เกิดขึ้นในจิตของท่าน ท่านทำจิตให้เป็นสมาธิสงบนิ่งสว่างลงไปได้ณนะโอกาสใจโอกาสนั้นประพุทธธรรมประสงเกิดขึ้นในจิตของท่านแล้วจิตของท่านถึงประพุทธธรรมประสง์จิตของท่านพบพระพุทธธรรมประสง์แล้วให้ท่านกำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวอย่าไปนึกพุทโธอีก เพราะการนึกพุทโธอีกกันจะทำให้จิตของท่านเปลี่ยนสภาพแล้วจะถอนจากความเป็นสมาธิทันทีเมื่อจิตสงบนิ่งสว่างลงไปกาหนดรู้อยู่ที่จิตสงบนิ่งสว่างเมื่อจิตมีอาการไหวไปอย่างไรกาหนดรู้ตามจิตนั่นไปไม่ต้องไปคิดอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีก คอยสังเกตตัวว่าจิตส่งกระแสไปไนรื่เคลื่อนที่ไปนั้นเคลื่อนไปปรามามีมสติ ด, ด้วยความสงบหรือเคลื่อนไปด้วยความที่จิตถอน จ, จากสมาธิแล้วก็กุ้งก้านไปบางท่านอาจจะกำหนดไม่รู้ทันจิตของตนเองเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแล้ว บางขั้นก็เป็นนิ่งอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่งแล้วก็เกิดความรู้แปลกๆขึ้นม า, ท, านท่านไปรู้รู้ไม่ทันหรือไม่รู้เท่าก็จะเข้าใจว่าจิตของตนเองฟุ้งซ่านลักษณะของจิตฟุ้งซ่านเราจะสังเกตได้เมื่อจิตลึกถึงอารมณ์อันใดแล้วมันทำให้จิตวุ่นวายเดือดต้อน อันนั้นเป็นลักษณะของจิตที่ฟุ้งซ่านเมื่อจิตมีอารมณ์คือความคิดอใดเกิดขึ้นทำให้จิตรู้ด้วยความสงบเที่ยงเย็นไม่ฟุ้งซ่านทำให้เกิดตีติเกิดความแจ่มในจิตเมื่อมีความรู้เกิดขึ้นหรือบางครั้งอาจจะทำให้เกิดตีติปลามโมขึ้นมาในขณะนั้น ในลักษณะอย่างนี้แม่จิตของท่านจะมีความคิดขึ้นมาเป็นกิริยาอาการของจิตที่เกิดภูมิความรู้ขึ้นมาในสมาธิทั้งสองอย่างนี้ขอให้ท่านกึงสังเกตให้ดีถ้าท่านใช้ความสังเกตให้ดีแล้วท่านก็จะได้ความรู้เท่าเอาทัานวาระของจิตที่มันเกิดขึ้น ในลวดลักษณะของจิตที่มันเกิดความรู้กับจิตเกิดความพุ่งต้านมันต่างกันอย่างไรอันนี้เป็นจุดสำคัญที่นักปฏิบัติจะป็งกำหนดตู้เอาต่อไปนี้เลิกพูดขอให้ทุกท่านจงตั้งใจทำความสงบจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควร อาต่อไปนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ติดษาสนธนากันในปัญห า, าต่างๆ <c oughs> กว่าจะมีโอกาสได้มาพบกันก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีเวลาท่านผู้ใดมีปัญหาที่จะติดษาสนธนาอะไรก็ได้โปรดถาม แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าจะมาจะรู้หมดทุกอย่างนะอะไรที่พอเข้าใจพอที่จะให้คำตอบได้ก็จะตอบพอจิตนิ่งลมหายใจจะหายไปและคำภาวนาก็หายไปพร้อมกันแล้วแต่รู้สึกเช่นนี้แค่เดี๋ยวเดียวก็รู้สึกสูก แล้วควรจะทำอย่างไรต่อไปเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแล้วจิตจะสงบละเอียดลงไปถึงจุดซึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิลมหายใจก็ทำผ้าจะหายขาดไปคำภาวนาก็หายไป พอรู้สึกตัวขึ้นพรอรู้สึกว่ามีอาการเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นผู้ภาวนาตกใจแล้วจิตก็ถอนจากสมาธิเมื่อจิตถอนจากสมาธิแล้วเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาถ้ายังเสียดาย ความเป็นของจิตในขณะนั้นที่มันเป็นขึ้นมานั้นให้กําหนดจิตบริกรรมภาวนาใหม่จนกว่าจิตจะสงบลงไปถึงขนาดลมหายใจจะหายขาดไปคําภาวนาหายไปถ้าตอนนี้เราไม่เกิดสตกใจหรือเอะใจขึ้นมาก่อนจิตจะสงบนิ่งละเอียดลงไปกว่านั้น